ีนเป็นรายการตอบปัญห า, าบรรดาท่านที่ได้ถามปัญหามาขอได้โปรดความเข้าใจไว้ว่ า, าสมภาพก็ไม่ใช่นักแก้ปัญหาที่เก่งกาจก็มีความสามารถที่จะตอบปัญหาได้ทุกด้านทุกมุมขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจไว้ว่า อยู่ในฐานะที่จะพึงศึกษาธรรมะหรือปัญหาต่างๆเพื่อข้อเท็จจริงและเพื่อความรู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายดังนั้นการตอบปัญหาอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่สิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจหรืออาจจะเป็นการตอบโดยการเดาดคาดกันเองอาตมาจะไม่ขอตอบ แล้จะขอฝากโยนเก่งไปให้ท่านผู้ถามได้โปรดกิจดาลาออกเองก <c oughs> ารปฏิบัติธรรมฐานพระพุทธเจ้ายึดมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นที่ตั้งนอกจากมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วยังมีสูตรอื่นอีกไหม การปฏิบัติกรรมฐ า, านนั่นส่วนใหญ่ก็ยึดมหาสติปฐานนั่สูตรเป็นหลักแต่สําหรับสูตรอื่นๆนั่นก็มีเหมือนกันในหลักมหาสติปัฐานสูตรนั้นวิธีปฏิบัติกรรมฐ า, านมีมีพร้อมทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติบัพภะ สัมปัชัญญะบัพพะซึ่งเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการทำสติสัมปชัญญให้มีพลังสมบูรณ์ขึ้นในสูตร อ, อื่นซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้สติสัมปัชัญญะของผู้ปฏิบัติดีขึ้นนั้นก็เป็นอุบายที่เป็นหลักของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานเหมือนกันอ่า ในตอนต่อไปการฝึกมโนมยิทธิเป็นแนงหนึ่งของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดเพราะการฝึกมีการขอบา ร, รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัาสมพุทธเจ้าให้ช่วยให้ได้เห็นเมืองแก้วคือนิพพานหรือเห็นนรกก็ได้เห็นจริงๆ ไอ้เรื่องเกี่ยวกับมโนโมายด์เทนี่ตามหลักธรรมะท่านก็มี <c oughs> แต่มโนโมายดทเทที่ฝึกกันอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นมโนโมายด์ที่ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่นั้นอาตมาไม่ขอวินิจฉัยแต่การจะ ท, ทําเท่วเท่าที่ได้พิสูจน์มาแล้ว สิ่งที่สามารถที่จะทำให้เห็นนรกเห็นสวรรค์ได้ไมีอยู่หลายทางทางหนึ่งเกิดจากการสะกดจิตแบบพวกที่ฝรั่งเขาใช้วิชาสะกดจิตคือมีอาการกล่อมให้ผู้ถูกสะกดจิตนั้นมีอาการนอนหลับในเมื่อหลับลงไปแล้วเขาจะใช้ผู้ที่ถูกสะกดนั้น ไปดูอะไรที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นแบบการสะกดจิตแบบฝรั่งโดยย่อและสําหรับการบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นภาวนาหัวใจธาตุสีน้ำมัพระทะหรือภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลกหรือแม้แต่จะภาวนาพุทโธอย่างที่เราเราเาวนากันถ้ามีท่านผู้ใดผู้หนึ่งค่อยกล่าวนํา เมื่อจิตของท่านผู้ภาวนานั้นมีอาการสงบเคลิมเคลิมลงไปผู้กล่าวนำนั้นให้คําแนะนําว่าจงไปดูนรกดูสวรรค์ไปทางโน้นไปทางนี้พบเห็นอะไรแล้วถามเข้าไปให้เขาบอกหนทางไปหรือให้เขาพาไปแล้วจิตของผู้ที่ภาวนานั้นจะไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้อันนี้เข้าใจว่าเป็นอุบายอันหนึ่ง สำหรับผู้ฉลาดในการสอนธรรมะแต่ได้ทราบวระท่านผู้นั้นท่านว่าเป็นมโนโมยิทธิแต่เรื่องนี้จะเป็นมโนโมยิทธิประการใดหรือไม่นั้นอาตมาขอไม่ขอตัดสินเป็นแต่เพียงว่าถืออยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณากันอีกต่อไปแต่จะด้วยประการใดก็าตามการกระทำท้งนี้ก็เป็นอุบายสอนคน ให้เกิดมีสีและทำอันดีขึ้นมาได้เหมือนกันเช่นอย่างใครสามารถที่จะทําคนให้ไปดูนรกดูสวรรค์ได้เซ่งในสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากก็มีความเห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแต่ท่านผู้ใดสามารถที่นําคนให้ไปพิสูจน์ดูนรกดูสวรรค์จะด้วยคนอุบายวิธีอะไรก็ตาม ก็เข้าใจว่าข้อที่จะเป็นแนวทางที่จะโน้มน้าวจิตใจของเขาให้เชื่อในหลักธรรมะในข้อที่ว่านรกมีสวรรค์มีได้บ้างอีกอย่างหนึ่งคนที่สามารถภาวนาไปดูนรกได้เมื่อไปเห็นความทุกข์ทรมานในนรกนที่สัตว์กำลังตกนรกอยู่นั้นมีความทุกข์ทรมานเพียงใดแค่ไหน เขาอาจจะไปถามว่าทําบาป ก, กรรมอะไรจรึงได้มาตกนรกอย่างนี้ในเมื่อได้ทราบผลของกรรมแล้วเขาอาจจะไม่กล้าทํากรรมอันเป็นบาปความชั่วขึ้นมาก็ได้ผู้ที่ไปเห็นสวรรค์ไปติดในสมบัติของสวรรค์ด้วยความงามของเทวดาแล้วอยากได้สมบัติอันเป็นสวรรค์ก็อาจจะมาทําบุญกุศลสุนทานยิ่งขึ้นก็ได้ รวมความแล้วว่าเป็นอุบายสอนคนให้เข้าสู่ศีลธรรมาาแขนงหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> ส่วนจะเป็นมนโนมยธิหรือประการใดนั้นขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้พิจารณาช่วยกันพิจารณาอีกต่อไปปัญหาข้อที่สามพระนิพพานหนึ่งฝ่ายหนึ่งปฏิบัติฝ่ายหนึ่ง ว่าปฏิบัติจนสิ้นกิเลสกันหาก็าจะถึงพระนิพพานเอกายหนึ่งทำบนมากเช่นสร้างบูร์สองสามหลังก็จะได้ไปพระนิพพานปัญหาข้อที่หนึ่งนั้นผู้ <c oughs> ปฏิบัติจนสิ้นกิเลสกันหาแล้วจนกระทั่งจิดถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิง กลสให้มีเหลือติดอยู่ในใจแม้แต่นิดหนึ่งอันนี้เป็นพูดถึงพระนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ว่าทําบุญมากาๆเช่นสร้างโบสถ์สองสามหลังจะได้พระนิพพานอันนี้เป็นเพียงคาราบารมีเพื่อเป็นการสนับสนุนบุญบา ร, รมีให้ถึงพระนิพพานตามหลักแห่งบา ร, รมีสิทธัสทั้งสองอย่างนี้เป็นนิพพานของศาสนา ของพุทธศาสนาหรือศาสนาใดข้อต้นเป็นนิพพานของศาสนาพุทธข้อที่สองเป็นแนวทางสร้างพ้นทางเพื่อให้ไปสู่พนิพพานในศาสนาพุทธเหมือนกันแต่การถึงพนิพพานไม่สําเร็จได้เพราะการสร้างโบสถ์สงสามหลังเท่านั้น <c oughs> ต้องสําเร็จด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา จนสามารถเปิดประหานะละกิเลสตัณหามาณทิจิละกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงได้หมดสิ้นไปจากจิตใจจึงจะถึงนิพพาน <c oughs> มีเงินมากทำบุญให้ทานมากแต่ก็มีกิเลสโลภะ โ, โทสะโมหะมากจะถึงนิพพานหรืออย่างไร การทำบุนสุนทานแม้จะทำมากมากสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าผู้ทำไม่มุ่งที่จะกำจัดกิเลสโลกกิเลสโลภะโทสะโมหะเป็นแต่เพียงมุ่งที่จะทำทานให้ได้มากๆก็ยังไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานการที่จะถึงพระนิพพานต้องปฏิบัติตามหลักข้อศีลสมาธิปัญญา จนสามารถที่จะทำศีลสมาธิปัญญาให้สำเร็จประชุมลงเป็นองค์อริยมรรคซึ่งมีคุณอมีคุณภาพประสิทธิภาพที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมลำพังแต่เพียงการให้ทานด้วยอมิตรอย่างเดียวไม่สำเร็จพระนิพพานได้ถ้าขาดการภาวนาสำหรับปัญหาของเจ้าของนี้ก็ขอตอบเพียงแค่นี้ <c oughs> ปัญหาของท่านต่อไปขอถามว่าบางอาจารย์ว่านั่งภาวนากำหนดว่าพุทโุเป็นบัญญัติไม่ใช่วิปัสสนาจริงใหม่ปัญหาข้อนี้ตอนนี้ ผู้ภาวนาพุโทโธเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาน่าจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ความจริงภาวนาพุโทโธพุธโทโธเป็นพุท ธ, ธานุสติอยู่ในหลักวิชาการของการปฏิบัติขั้นสมถะสมถานแต่ถ้าผู้ภาวนาพุโทโธนั้นไม่ฉลาดเพียงพอที่จะปฏิวัติจิตของตัวเองให้ ก้วขึ้นสู่ภูมิปัสจนาไปติดกันอยู่เพียงแค่ความสงบแค่สมาถะเท่านั้นเพือไปติดอยู่ด้วยปีติและความสุขซึ่งเกิดในฌานเดียวกว่าติดสมถะก็ไม่สามารถที่จะดําเนินจิตขึ้นไปสู่วิปัสนาอันนี้เป็นความจริงในเ ม, มื่อเจตเมสมาธิติดความสุขในสมาธิ เจตก็จะถือว่าความสุขเพียงแค่ขั้นสมาธิเป็นการเพียงพอแล้วเป็นการติดสุขเิตก็มา จ, จะไม่ไฝฝันหรือไม่พยายามที่จะปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปอันนี้ขอตอบว่าถ้าติดแล้วก็จริงถ้าไม่ติดความสุขในสมาธิมีความภาพเพียงจะหาอุบายให้จิตเปิดภุ่มวิปัสสนาก็ไม่จริง ข้อสองโดนจงกรมถ้าภาวนาว่าพุทโธบางอาจารย์ว่าเป็นสมถะคำตอบก็เหมือนกันกับข้อต้นเพราะการภาวนานั้นเป็นกิริยาของจิตยืนเดินนั่งนอนเป็นกิริยาประกอบการปฏิบัติเป็นวิธีการข้อสามบางอาจารย์ว่าการภ า, าวนาว่ายกหนอคองหนอไม่มีในพระไตรปิฎก ลองพ่อช่วยแก้ข้อ้องใจให้ด้วยอันนี้เป็นมติที่คัดค้านกันโดยวิธีการผู้ภาวนาถ้าหากว่าไปยึดวิธีการเป็นใหญ่แล้วจะมีการขัดแย้งกันการภาวนาพุทโธรละยกหน่อฟองหน่อเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้โดยกันทั้งสองอย่าง ถ้าหากนักภาวนาเอาข้อเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้นกับจิตอย่างแท้จริงมาเปรียบเทียบกันใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามถ้าเราเอาเรื่องความสงบของจิตที่เป็นสมาธิมาเปรียบเทียบกันเราจะไม่มีการขัดแย้งกันเลยแต่ที่เรามีการขัดแย้งกันอยู่นั้นเพราะเราไปติดวิธีการเราจะนั่นนักภาวนาเพื่อแก้ข้อข้องใจดังที่กล่าวแล้วนั้น อย่าไปติดวิธีการให้ยึดเอาหลักความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของการภาวนานั่นเป็นใหญ่การภาวนายกหนอคองหนอก็ดีพุโทโธพุทโธก็ดีเป็นอุบายทําจิตให้สงบลงเป็นสมาธิขั้นสมถะด้วยกันทั้งนั้นกรรมฐานนี่ท่านว่ามีสองอย่างหนึ่งสมถะกรรมฐานสองวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจจุดมุ่งหมายเพื่อจะทำจิตให้เกิดมีสมาธิกาจัดนิวร่าไม่ให้มาลบกวนในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ภายในจิตอันนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานตามหลักปริยัติท่านเขียนไว้ชัดว่ากรรมฐานอันใดเนื่องด้วยบริกรรมภาวนากรรมฐานอ น, นั้นเป็นสมถะกรรมฐาน ถ้าจิตยังไม่สงบนึกมรรกรรมภาวนาเป็นวิธีการเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแล้วเป็นสมถะเพราะฉะนั้นยบหนอะกองหนอก็ดีพุโทโธพุโทโธก็ดีเป็นแต่เพียงพิธีการไม่ใช่สมถะหรือวิปัสสนาใดๆทั้งนั้นเมื่อผลเกิดขึ้นจากการภาวนาแล้วนั่นแหละจึงจะมีสมถะหรือวิปัสสนาเกิดขึ้น ส่วนวิปัสนากรรมาฐานนั้นเป็นกรรมาฐานที่เป็นอุบายฝึกฝนจิตให้เกิดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นแม้แต่ด้วยวิธีการคือการน้อมจิตไปพิจารณาอะไรก็ตามเช่นเราอาจจะพิจารณาผมขนและปันหลังเนื้อเอ็นกระดูกว่าเป็นของปฏิกูลหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา หรือแม้จะกำหนดอารมณ์เกิดจาบกับจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาัตตก็ตามนั่นเป็นวิธีการแต่เมื่อจิตยังไม่สงบเป็นสมาธิเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นวิปัสสนาจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มุ่งที่จะทำกรรมฐานจะทำกาารรมสมาธิกรมาฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานให้ได้ผลอย่างแท้จริงอย่าไปกลัวว่าจิตจะติดสมาธิ สมถาะาคือสมาธิเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสนาแต่ถ้าผู้ภาวนาไปติดสมถะติดสุขในสมาธิติดสุขในสมถะจิตก็ไม่เท่ากขึ้นสู่ภูมิวิปัสนาแต่ถ้าสมถะคือสมาธิไม่มีวิปัสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากวิปัสสนุกเท่านั้นขอได้โปรดทาความเข้าใจอย่างนี้อสําสหรับการตอบปัญหาของท่านผู้นี้ก็ พอจบลงแค่นี้ปัญหาของท่านคนนี <c> ้ <oughs> มีว่าอาัติของพระที่มรณะภาพแล้วกลายเป็นพระาธาตุอัติของผู้ที่มรณะภาพไปแล้วแล้วกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมานั้นจะต้องเป็นอัติของพระอริยบุคคล ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปทีนี้มีปัญหาว่าทําไมกระดูกคนที่ตายไปแล้วแม่จะเก็บไว้ตำพันปีหมื่นปีก็ยังเป็นกระดูกอยู่อย่างเดิมไม่แปลสภาพเป็นอย่างอื่นนอกจากจะผุพังไปเป็นดินเป็นหญ้าไปเท่านั้นแต่กระดูกของพระเอริกอริยบุคคลนี่ทําไมจึงกลายสภาพเป็นพระาธาตุขึ้นมาได้อันนี้เป็นปัญหาที่น่าสงสัย ถ้าหากเราจะไปนึกถึงหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องมหาสติปัฏฐานกายานุปัสนาสติปัฏฐานเฉพาะกายานุปัสนาสติปัฏฐานนี่เราตั้งกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของสติ เ, เป็นฐานที่รู้ของจิตเป็นที่ตั้งของสติเพื่อเป็นการฝึกฝนอบรมสติให้มีสมรรภาพจนกลายเป็นมหาสติ ทีนี้โดยทางปฏิบัติแล้วพระผู้ทินที่ท่านปฏิบัติท่านเพ่งเอาเอาอาการสามสิบสองผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นเครื่องลูลของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อกายคืออาการสามสิบสองถูกเพ่งบ่อยเข้าจิตเสดมีสมาธิแล้วย่อมเสดมิตรให้มองเห็นในกายโดยทั่วไปส่วนมากสิ่งที่ปรากฏให้รู้เห็นอยู่นานที่สุดก็คือกระดูก มีโครงกระดูกเป็นต้นในบางครั้งในเมื่อจิตวิ่งเข้ามาดูภายในกายแล้วก็มาสงบสว่างอยู่ภายในกายจิตจะมองทะลุ ก, กายออกมามีลักษณะดูเหมือนคล้ายๆกับแก้วปุ่มมีความใสเหมือนกับแก้วปุ่มเพราะฉะนั้นกระดูกของพระอริยบุคคลซึ่งถูกจิตที่บริสุทธิ์สะอาดแท่งเป็นวิหารธรรมอยู่บ่อยๆ้วยอิทธิพลของจิตนั้นจะสามารถทา ให้กระดูกของท่านเมื่อท่านมาละาภาพไปแล้วกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาได้สําหรับทิดเสดในทางอื่นนั้นไม่สามารถที่จะนํามาประกอบกับการตอบปัญหานี้ได้แต่ถ้าจะพิจารณาตามประสบพการที่เคยผ่านมาแล้วรู้สึกว่าจิตเมื่อเพ่งดูโครงกระดูกจะรู้สึกว่าโครงกระดูกนั้นมีความใสเหมือนแก้ว เพราะในขณะนั้นจิตสงบสว่างแล้วเกิดนิมิตขึ้นมาพอมองเห็นได้ถ้าข้อเปรียบเทียบ ก, ก็คือว่าขณะที่ว่าพระอริยบุคคลที่ท่านเพ่งดูอาการสามสิบสองขึ้ร่างกายของท่านจนจิตเกิดเป็นสมาธิรู้จริงเห็นจริงภายในกายแล้วพอมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความใสสะอาดได้สว่างสวัยไปหมดภายในกายเมื่อตายไปแล้ว เมื่อนมาแล้วนะภาพแล้วกระดูกก็กลายเป็นกระแขึ้นมาได้อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่น่าสงสัยเท่าไหร่นับแต่สำหรับนักเรียนมนุษยศาสตร์เกียงเล็กๆน้อยๆเพียงแต่คาถาอาคมแล้วไปเสกน้ำมันไปทาแล้วก็เต่าในขณะที่คนแค่ขาหักแขนหัก ก็ยังมีประสิทธิธภาพพอที่จะต่อกันได้เพราะด้วยอำนาจแห่งพลังมุนหรือพลังจิตทีนี้เจดของท่านผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาเนี่ยไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่าจะไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถทำให้กระดูกกลายเป็นกทาแขึ้นมาได้การตอบปัญหานี้ก็เห็นว่าเพียงพออ่อีกปัญหาต่อไปมีว่า โดก อ, อานนพิสุอิสุเนววาสกอุบาสิกาอะไรนี่จากมาด้วยจากมาด้วยความเชื่อว่าพระตถาคตเจ้าประสูตดในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเจ้าแสดงธรรมจัก ในที่นี้ก็ดีพระตรราพคดเจ้าเสด็จดับขันธ์าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพา น, นธาตุในที่นี้ก็ดีก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเที่ยวจาริกไปยังเจดีคือสังเวชนิยสัานมีจิตเลื่อมใสแล้วเถิองแก่รมลงชนเหล่านั้นทั้งหมดหลังจากตายไปแล้ว ก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นความจริงหรือไม่อันนี้เป็นความจริงถ้าในขณะที่ไปกราบไปไหว้ปู่เฉนิยะสังเวชเฉนิยสถานแม้แต่ไหว้พระพุทธรูปไหว้พระสงฆ์อยู่ในบ้านเมืองเรานี่ก็ดีถ้าไหว้ด้วยจิตที่มีศ ร, รัทธาเคารพเรื่มใสยอย่างจริงจังตายลงไปในขณะนั้นเกิดในสวรรค์ ยกตัวอย่างเช่นมัทธกุมทะเลที่กําลังเจ็บปวดอย่างหนักพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเพียงไปแพร่รัชมีไปต้องจากสุขแล้วพอหันมามองเห็นพระพุทธเจ้าเพียงนิดเดียวแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศถา ข, าขึ้นในจิตว่าโอ้พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเราแล้วก็ดักจิตในขณะนั้นก็ไปเกิดในสวรรค์สําหรับปัญหานี้เขขอตอบเพียงแค่นี้ ปัญหาต่อไป <c oughs> ที่ว่ากันว่าการปฏิบัติกรรมฐานที่เย็ดวิธีจะทำให้เสียสตินั้นขอกราบเเรียนว่าเป็นจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นทั้งความจริงและไม่จริงถ้าหาการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องโดยที่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำ ละเอีดหลักการปฏิบัติที่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างจริงจังเช่นเราจะยึดในหลักสมถะกรรมฐานสี่สิปการมีพุท ธ, ธานุสติเป็นต้นแล้วผู้ปฏิบัตินั้นมุ่งที่จะทำจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยให้จิตของเรามีพลัง เพื่อมุ่งที่จะทำเจดของตัวเองนั่นแหละให้มีพลังสมาธิพลังสติปัญญาขึ้นมาโดยไม่ไปอารัทธนาหรืออัญเชิญเอาสิ่งอื่นเข้ามาช่วยในการปฏิบัติแบบนี้ในขั้นต้นเราอาจจะยึดวิธีการเพราะวิธีการนี้เป็นวิธีเป็นอุบายที่ปลูกศรัทธาความเชื่อความเร่อมใสให้เกิดมีขึ้นในพระัตนณะยัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ เชื่อมั่นในปัญญาตัศโลกของตุมเดชสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้เกิดศรัทธาแล้วจะได้เกิดปิยยะอุสาหะในการปฏิบัติการปฏิบัติสมถา น, น่ยในโมูะมาถึงตอนนี้อาตมาอยากจะขอให้ขจิเตือนใจบรรดาท่านผู้สนใจในการปฏิบัติทั้งหลายในสิ่งที่ควรสังวรระวม การปฏิบัติประมาฐานโดยสายตรงนั้นให้ยึดหลักมหาสติปัฏฐานแล้วอยา่าไปปรารถนาให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาใช้อำนาจจิตมาช่วยให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้น